อั ส, สาชานิยสูตรว่าด้วยม้าอาชาในและบุรุษอาชาในภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงม้าอาชาในพันดีสามจำพวกและบุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า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 1. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ละถึง 3. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ละถึงบุรุษอาชาในผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ปฐมโมรณิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริภาชกชื่อโมรณิวาปะสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปริภาชการามชื่อโมรณนิวาปะเขครุงราชครือณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสามประการย่อมมีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลขันกองศีลที่เป็นของพระอเสคะ สสมาธิขันกองสมาธิที่เป็นของพระอเศคาร์ 3. ปัญญาขันกองปัญญาที่เป็นของพระอเศคารภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมมีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤตพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐความเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระธรรมโมระนิวาปสูที่สิอ 12. บทุติยโมระนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริภาชกชื่อโมระนิวาปะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมมีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. อิทธิปาฏิหารปาฏิหารคือฤทธิ์สอาเทศนาปาฏิหารปาฏิหารคือการทายใจ 3. อนุสาสนีปาฏิหาร ปฏิหารคืออนุสาสนีภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหละย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ ล, ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุติยโมระนิวาปสูตรที่12จบ ตตติยะโมระนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริภาชกชื่อโมระนิวาปะสูตรที่สภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฐิเห็นชอบ 2. ส, สัมมายานะรู้ชอบ 3. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตาติยะโมระนิวาปสูตรที่13จบ โยธาชีววัคที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โยธาชีวสูตร 2. ปริษาสูตร 3. มิตาสูตร 4. อุปาธาสูตร 5. เกษกัมพลสูตร 6. สัมปธาสูตร 7. วุฒิสูตร 8. อาสะคหลุงกะสูตร 9. อสะสทัศสูตร สิอาสาชานิยสูตร 11. ปฐมโมระนิวาปสูตร 12. ทุติยโมระนิวาปสูตร 13. ตติยโมระนิวาปสูตร 5. มังคละวัต หมวดว่าด้วยมงคลหนึ่งอกุศลสูตรว่าด้วยอากุศลกรรมเป็นเหตุให้ตกนรกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมการกระทำทางกายฝ่ายอากุศล 2. วจีกรรม การกระทําทางวาจาฝ่ายอกุศล 3. ม, มนโนกรรมการกระทําทางใจฝ่ายอกุศลภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลย่อมดํารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดํารงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสมประการอะไรบ้างคือ 1. 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วัชีกรรมฝ่ายกุศล 3. มโนกรรมฝ่ายกุศลบุคคลประกอบด้วยธรรม3าประการนี้แหละย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อกุศลสูตรที่ 1. จบ วัชสูตรว่าด้วยกรรมที่มีโทษเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ประการละถึง 1. กายกรรมที่มีโทษ 2. องวจีกรรมที่มีโทษ 3. มนโนกรรมที่มีโทษละถึง 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. องวจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. ม, มโนกรรมที่ไม่มีโทษละถึงสาวัชสูตรที่สองจบ 3. วิสมะสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลาย บ ling, 1, ุคคลประกอบด้วยธรรมาประการละถึง 1. นกายกรรมที arm arm 2, ่ไม่สม่ำเสมอ 2. วัวจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่ไม่สม่ำเสมอละถึง 1. กายกรรมที่สม่ำเสมอ 2. วจีกรรมที่สม่ำเสมอ 3. มโนกรรมที่สม่ำเสมอละถึงวิสมสูตรที่สจบ สอสุจิสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. นกายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วงวจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. มโนกรรมที่ไม่สะอาดละถึง 1. ึงกายกรรมที่สะอาด 2. วงวจีกรรมที่สะอาด 3. ม, มโนกรรมที่สะอาดบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหละย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อสุจิสูตรที่สจบ 5. ปฐมมคตะสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสู่ที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตว์ปรุษประกอบด้วยทำสามประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายอกุศล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 ไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมฝ่ายกุศล 2. วัวจีกรรมฝ่ายกุศล 3. มนโนกรรมฝ่ายกุศลและถึงปฐมมัคคตสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทำลายสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. ไกายกรรมที่มีโทษ 2. องวจีกรรมที่มีโทษ 3. ามมโนกรรมที่มีโทษละถึง 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. องวจีกรรมที่ไม่มีโทษ ส ม, มโนกรรมที่ไม่มีโทษละถึงทุติยคตะสูตรที่6จบ 7. ตติยคตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกทําลายสูตรที่สภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. นกายกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ 2. องวจีกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ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 ประกอบด้วยธรรมสามประการละถึง 1. กายกรรมที่ไม่สะอาด 2. วจีกรรมที่ไม่สะอาด 3. มโนกรรมที่ไม่สะอาดละถึง 1. กายกรรมที่สะอาด 2. องวจีกรรมที่สะอาด 3. ม, มนโนกรรมที่สะอาดบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์ปรุษประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แล ย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกาจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากจจตุ t h a g ะสูตรที่8จบ 9. วัฒ น, นาสูตรว่าด้วยการไหว้ภิกษุทั้งหลายการไหว้สามประการนี้การไหว้สามประการอะไรบ้างคือหนึ่งการไหว้ทางกาย 2. การไหวทางวาจา 3. การไหวทางใจภิกษุทั้งหลายการไหวสามประการนี้แลวันธนาสูตรที่9จบ 10. ปุพพันหสูตรว่าด้วย เวลาเช้าเป็นเรกดีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมนุสสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมนุสุจริตในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดี และบูชาดีในพรมมารีบุคคลกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาวจีกรรมเป็นส่วนเบื้องขวามนโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขงอกงามในพุทธศาสนาจงไม่มีโรค ถึงความสุขพร้อมด้วยหญตาทั้งมวลปุพพันหสูตรที่10บจบมังคลระวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อกุศลสูตร 2. สาวัชสูตร 3. วิสมะสูตร 4. อสุจิสูตร 5. ปฐมมคคตะสูตร 6. ทุติยัคคตะสูตร 7. ตติยะคตสูตรแปดจตุธหคตสูตรเก้าวันธนาสูตรสิบปุพันหสูตรตติยปันนาจบบริบูรณ์หกาเจละกะวัก หมวดว่าด้วยคนเปลยว่าด้วยปฏิปทาสามอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกสุทั้งหลายปฏิปทาสามประการปฏิปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิปทาอย่างหยาบ 2. ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาส 3. ปฏิปทาอย่างกลางปฏิปทาอย่างหยาบเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกรรมทั้งหลายไม่มีเขาย่อมตกเป็นเหยื่อในกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าปฏิปทาอย่างหยาบ ป, ปฏิปทาอย่างเหี้ยมหานเป็นอย่างไรคือคนเปลยบางคนในโลกนี้ไร้มารยาทเลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไมมาเขาเชิญให้หยุดก็ไมหยุด ไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อนไม่รับภิษาที่เขาเจาะจงทำไว้ไม่ยินดีกิจนิมนต์ไม่รับภิษาปากหม้อไม่รับภิษาจากกระเช้าไม่รับพิษาคล่อมธรณีประตูไม่รับพิษาคล่อมท่อนไม้ไม่รับพิษาคล่อมจากไม่รับภิษาที่คนสองคนบริโภคอยู่ไม่รับภิษาของหญิงมีคันไม่รับพิษาของหญิงที่กาลังให้ลูกดูดนม ไม่รับภิษาของหญิงที่คลอเคลียคนไม่รับพิษาที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับภิกษาในที่รับเลี้ยงดูลูกสุนัขไม่รับภิษาในที่มาแงวันไต่ตอนเป็นกลุ่มไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำหมักดองเขารับพิษาเฉพาะที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคาเดียวรับพิษาที่เรือนสองหลัง เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวสองคำและถึงหรือรับพิกษาที่เรือนเจหลังเยียวยาอัตภาพด้วยข้าวเจ็ดคำเยียวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้างเยียวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยสองใบบ้างละถึงเยีวยาอัตภาพด้วยพิกษาในถาดน้อยเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้วันเดียวบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้สองวันบ้างละถึง กินอาหารที่เก็บค้างไว้เจ็ดวันบ้างเขามันประกอบในการบริโภคที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้อยู่คนเปลือย น, นั้นกิ loh, นผักดองเป็นอาหารบ้างกินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินกะข้าวเป็นอาหารบ้างกินยางเป็นอาหารบ้างกินรำเป็นอาหารบ้างกินข้าวตังเป็นอาหารบ้างกินกัมยานเป็นอาหารบ้างกินหญ้าเป็นอาหารบ้าง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 นุ่งห่มผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยผมพลบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้างนุ่งห่มผ้าทำด้วยขนปีกนกเข้าบ้างถอนผมและหนวดมันประกอบการถอนผมและหนวดบ้างยืนอย่างเดียวปฏิเสธการนั่งบ้างนั่งกระยองประกอบความเพียรด้วยการนั่งกระยงบ้างนอนบนน้ำสำเร็จการนอนบนน้ำบ้าง อา บ, บน้ำวันละสามครั้งมันประกอบการลงน้ำบ้างเขามันประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวมานี้อยู่พิกสุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างเฮียมพานหนึ่งสติปทานสูตรปฏิปทาอย่างกลางเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาและถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างกลางภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการ น, นี้แหล สังสมมาประทานสูตรภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้ปฏิปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิปทาอย่างหยาบ 2. ปฏิปทาอย่างเฮียมหาน 3. ปฏิปทาอย่างกลางปฏิปทาอย่างหยาบเป็นอย่างไรละถึงนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างหยาบปฏิปทาอย่างเฮียมหานเป็นอย่างไร ละถึงนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างเฮียมหานปฏิปทาอย่างกลางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดแล้ว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 สอิทิปาทสูตรภิกษุนั้นเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิปทานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิปทานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิปทานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์ เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์ 4. อินทริยสูตรเจริญสัตทินรี่เจริญวิริยินรี่เจริญสัตทินรี่เจริญสมาทินสี่เจริญปัญญินรี่และถึง 5. พละสูตรเจริญศรัทธาพละเจริญวิริยะภละ เจริญสติพละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละละถึง 6. กสามโพชังขสูตรเจริญสติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้เจริญธรรมวิจยาสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเฟ้นธรรมเจริญวิริยาสามโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร เจริญปิติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจเจริญปัสสติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจเจริญสมาธิสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นเจริญอุเบกขาสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางละถึง 7. มรรคสูตร เจริญสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเจริญสัมมาสังกัปปะด um ำริชอบเจริญสัมมาวาจาเจรจาชอบเจริญ ja สัมมากรรมตะกระทำชอบเจริญสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเจริญสัมมาวายามะพยายามชอบเจริญสัมมาสติระลึกชอบเจริญสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิปทาอย่างกลาง ภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสามประการนี้แลอาเจละกะวักที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สติปธานสูตร 2. สัมมาปธานสูตร 3. อิทิปาทสูตร 4. อินทริยสูตร 5. ้ภระสูตร 6. สัมโพชังคสูตร 7. มัคคสูตร กัมมะปะทะไปยานว่าด้วยธรรมสามประการมีหลายใน 1. นปานะอะปานะสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์สองชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ สเป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้บุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์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 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์และถึง 3. มิชฉาสัมมาสูตร 1. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 2. ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม 3. เป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกามและถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในการม 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในการม 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามและถึง 4. มุสาวาทีอมุสาวาทีสูตร 1. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จสชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จสเป็นผู้พอใจการพูดเท็จ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 3. เป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียดละถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดส่อเสียด 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดละถึง 6. พรุษะอาภรุษะสูตร 1. ตนเองเป็นผู้พูดคาหยาบ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 ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อสองชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อสามเป็นผู้พอใจการพูดเพ้อเจ้อและถึง 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อสองชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสามเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อและถึง 8. อภิชา อนาพิชาสูตร 1. ตนเองเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 2. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 3. เป็นผู้พอใจความเพ่งเลงอยากได้ของเขาละถึง 1. ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา 2. ชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา 3. เป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา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 3. เป็นผู้พอใจความเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้กรรมปัฏฐะปียานที่7จบรวมพระสูตรที่มีในปียานี้คือ 1. ปานะอปานะสูตร 2. อ, อธทินนาทานะอนะัทินนาทานะสูตร 3. มิจฉาสัมมาสูตร 4. มุสาวาทีอมุสาวาทีสูตร 5. ้ปิสุนาอปิสุนาสูตร 6. กพรุษะอัพรุษสะสูตร 7. สัมผัปลาปะอัสัมผัปลาปะสูตร 8. อภิชาอนัภิชาสูตร 9. พยาปาทะอัพยาปาทะสูตร10 มิชาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสูตร 8. ราคะเปยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทาสามประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัก ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. นศูญญตะสมาธิสมาธิพิจารณาเห็นความว่างสองอณิมิตตะสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมไม่มีนิมิต 3. ามอปะนิหิตะสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนาบุคคลควรเจริญทำสามประการนี้แหลเพื่อรู้ยิ่งราคะ บุคคลควรเจริญทำสามประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. สวิตตกะสวิจารสมาธิสมาธิที่มีวิตกวิจารสองอวิตตกะวิจารมัตตาสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสามอวิตตกะอวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจาร บุคคลควรเจริญทำสามประการนี้แหลเพื่อรู้ยิ่งราคะเพื่อกำหนดรู้ราคะเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อสละราคะเพื่อสละคืนราคะบุคคลควรเจริญทำสามประการนี้เพื่อรู้ยิ่งโทสะ ความคิดประทุรสร้ายเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ <eighty> ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะ ความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามาชริยะความตรนีมายามานยาสาเถยยะความโอ้อดธรรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามทะความมัวเมาประมาทะความประมาท บุคลคลควรเจริญทำสามประการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคราคะปิ ย, ยานที่8จบรวมธรรมที่มีในปิ ย, ยานนี้คือ 1. ราคะสองโทสะสโมหะสโกทะ 5. อุปนาหะหมักคะ 7. ปลาสะ 8. อิสา 9. มัชริยะ 10. มายา 11. สาเถยยะ 12. ถัธมภะ 13. สามัมภะ 14. มานะ 15. อติมานะ 16. มะทะ 17. ปบมาทะธรรมเหล่านี้อยู่ในราคปไป ย, ยานพระผู้มีพระภาคตรัสโดยเทียบเคียงกับ โปัมมสูตรทรงประสงค์ทำมิ0ประการเหล่านี้คืออภินยารู้ยิง่งปริญยาการกำหนดรู้ปริกะขยาความสิน้นปหาณะการละขยะความสิ้นไปไวยะความเสื่อมไปวิราคะความคลายไปนิโรทะความดับไปจะคะความสละปฏิมิสักะความสละคืน และทรงกำหนดทำสามประการคือ 1. สุญญตะความว่าง 2. อนิมิตธะทมไม่มีนิมิต 3. อปนิหิตธะทมไม่มีความตั้งปรารถนามีสมาธิเป็นมูลแม้ในปยยานทั้งหมดแลติกกรนิบาตจบบริบูรณ